เพราะฉะนั้นในยานที่สพระสมมาผู้เจ้าให้เราเฝ้าดูการเกิดการดับของรูปนามขันหที่ว่าเกิดดับเป็นแสนเป็นล้านครั้งนั้นให้อจิตไปเฝ้าดูไปจับให้เห็นการเกิดการดับของรูปนามที่มันเกิดดับเป็นล้านครั้งนั้นให้ได้ ในยานที่สตามปกติอาการที่มันเกิดดับเกิดดับอย่างรวดเร็วนั้นพระสมมาผู้เจ้าเรียกว่าสันตติสันต ต, น ต, ติคือความสืบต่ออย่างรวดเร็วความสืบต่อเกินเกิดการดับอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้น ไอการที่จิตธรรมดาของเรานี้ไม่สามารถที่จะมองเห็นการเกิดการดับของรูปนามขันห้าอย่างรวดเร็วนั้นได้ก็เพราะว่าสันตติมันปิดบังไว้เหรือนที่อาจามาภาพยกตัวอย่างขึ้นมาบ่อยๆ ม, มาบ่อยๆก็คือเรื่องของไฟฟ้าอย่างไฟฟ้านี้ตามปกติในหลักการทางเทคนิค เขาต้องให้มันเกิดมันติดมันดับมันติดมันดับเป็นแสนไม่ใช่มันติดมันดับเนี่ยติดต่อกันเนี่ยห้าสิบครั้งต่อวินาทีในวินาทีหนึ่งเนี่ยมันจะติดดับติดดับเนี่ยห้าสิบครั้งขนาดมันเพียงแค่ห้าสิบครั้งนี่ตาเรายังแยกไม่ได้ว่ามันติดมันดับก็เพราะความเร็ว ความเร็วมันติดมันดับบางทีตอนสมัยเด็กๆเราเอาไอ้ก้านทูบเนะ่เอามาสายเอามาแฝงแขวงถ้าเราแกวงช้าๆเราก็เห็นว่าจุดมันเคลื่อนที่จุดมันเคลื่อนที่ไปแต่ถ้าเราแขวงเราเร็วเราก็จะเห็นเป็นเส้นเลยใช่ไหมโ ย, ยมจะเห็นเป็นเส้นนั่นความสืบต่ออย่างรวดเร็วเราจะเห็นเป็นเส้นเลยเป็นเส้นแต่ถ้าเราแกวงช้าลงช้าลง เราก็เห็นว่าจุดมันเคลื่อนที่ไฟมันเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันรูปนามขันห้ารูปนามขันห้าของชีวิตจริงๆนั่นนะ่ะมันเกิดดับอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นรูปนามรูปนามขันห้าทางตารูปนามขันห้าทางจมูกรูปนามขันห้าทางหูทางลิ้นทางกายทางใจมันเกิดดับอย่างรวดเร็ว เพราะนั้นในวิปัสสนาญาณนี้ต้องให้จิตมันเข้าไปเห็นการเกิดการดับของรูปนามขันห้าตามธรรมชาติของมันจิตมันจึงจะยอมเชื่อจิตมันจึงจะยอมเชื่อว่ารูปนามขันห้านี้มันเกิดมันดับแล้วก็ขั้นต่อไปมันถึงจะยอมเชื่อว่ารูปนามขันหานี้ มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าตราบใดถ้าจิตมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นการเกิดการดับของรูปนามขันห้าตามธรรมชาติของมันแล้วแล้วก็จิตมันยังไม่ยอมเชื่อมันยังไม่ยอมเชื่อมันก็ยังไปหลงไปยึดมั่นในสิ่งที่เป็นสมมติของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ยอมเชื่อที่เป็นปรมัทิที่แท้จริง เพราะนั้นในยานที่สี่นี้นะจะต้องเอาจิตที่ผ่านสมาธิอย่างดีเอามาเฝ้าเพ่งดูรูปดูนามขันห้าที่มันเกิดดับอย่างรวดเร็วนี้ไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าให้เราดูรูปนามขันท่าของลมหายใจเข้าออกมันง่ายที่สุดเพราะมันมีอยู่มันเป็นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตามปกติเมื่อสัน ต, ติมันปิดบังให้ความเกิดดาบอย่างรวดเร็วนี้ไว้พระเจ้าเรียกว่าสัน ต, ติมันปิดไว้ ของอะไรก็ตามถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งปิดไว้เราก็มองไม่เห็นการที่เราจะให้เห็นมันก็ต้องเปิดสิ่งที่ปิดเอาไว้นั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อสันตติมันปิดบังความสืบต่ออย่างรวดเร็วการเกิดดับของรูปนามขัน5เราก็ต้องเปิดสันตติการเปิดสัน ต, ตินั้นก็คือเอาจิตที่ผ่านสมาธิ อย่างดีมาแล้วเพ่งดูค่อยฟ้องเฝ้าดูจ้องดูรูปนามขันห้าถ้าหากว่าจิตของเรามีสมาธิมีสติที่พอสมควรกันแล้วสันตติมันจะขาดสันตติมันจะขาดแปลว่าสัน ต, ติมันจะเปิดออก เมื่อสันตติเปิดออกเราก็เห็นรูปการเกิดการดับของรูปนามขันห้านั้นที่ว่ามันสืบต่ออย่างรวดเร็วนั้นได้เพราะนั้นในการปฏิบัติภาควิปัสสนานั้นยานที่สี่นี้เป็นยานที่ยากที่สุดที่ต้องใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะเฝ้าเพ่ง ดูรูปดูนามดูขันห้าให้สันตติมันขาดให้สันตติมันขาดซึ่งก็ไม่ยากจนเกินไปนะักถ้าหากว่าเราใช้ความพยายามก็ไม่ยากจนเกินไปนะแต่ต้องมีสมาธิอย่างดีต้องมีสมาธิอย่างดีเรามาเฝ้าเพ่งดู เพราะนั้นในคราวที่แล้วก็มาพูดกันถึงตรงจุดนี้ใน <c oughs> เรื่องของอายานที่4อุทยพ ย, ายาัญาาปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นการเกิดการดับอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันในขณะที่เพียนเพ่งพิจารณาเฝ้าดูรูปหรือดูนามที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้าในปัจจุบันอย่างชัดเจนก็คือต้องให้สันตติขาด ผู้ปฏิบัติเมื่อผ่านยานที่สี่นี้แล้วแปลว่าเป็นผู้ที่เห็นไตรลักษ์อย่างชัดเจนหมายความว่าเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามเกิดดับอย่างรวดเร็ววันนี้ได้แล้วเราก็เห็นไตรลักษ์ก็เห็นอันิจังทุกขังอนัตตาเพราะเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามเกิดเห็นรูปเห็นนามดับเราก็บอกได้เลยว่ารูปนามนี้เป็นอันิจังทุกขังอนัตตาเป็นไตรลักษ์เป็นไตรลักษ์ อันนี้เป็นตัวปัญญาเป็นตัวปัญญาแน่นอนพระสมาผู้เจ้าตรัสไว้ว่าปัญญาเหมือนกับแสงสว่างอาวิชชาเหมือนกับความมืดเมื่อแสงสว่างมาความมืดก็หายไปเมื่อปัญญาเกิดขึ้นอวิชชาบางส่วนก็หายไปกิเลสบางส่วนก็หายไป เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลผู้ปฏิบัติผ่านยานที่สี่นี่น่ะเกิดปัญญาสันตติขาดเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์อันนี้น่ะกิเลสบางส่วนมันกิเลสบางส่วนมันมันตายไปเมื่อกิเลสบางส่วนมันตายไปสิ่งมหัสัจ ร, รันมันจะผุดขึ้นมาสิ่งมหัสัจรันมันจะผุดขึ้นมา สิ่งผาสจาย์นี้เป็นอะไรบ้างเป็นต้นว่าโอภาษคือแสงสว่างมีแสงสว่างบางทีมาเห็นเหมือนกับกลางวันเลยหรือบางคนก็เกิดญาณนะคือเกิดปัญญาเกิดปัญญาอย่างคมกล้าเกิดปัญญาอย่างคมกล้ารู้เห็นต่างๆบางอย่างขึ้นมาทันทีเลยเพราะกิเลส เดิมทีเดียวกิเลสมันหนาแน่นมันครอบคลุมมันครอบงำไว้แต่พอผ่านยานที่สีเลยแล้วเนี่ยนะพอสันตติขาดแล้วน่มันเกิดปัญญาเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นไตรลักษณ์ชัดเจนเนี่เพราะใ น, นสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างมันก็เกิดขึ้นมาบางคนก็เกิดความปีติความอิ่มใจบางทีทั้งวันแปลกใจตัวเองวาเอ๊ะมันเป็นวันนี้เป็นอะไรทาไมถึง เกิดความอิ <Mm ่มใจทั้งวันเลยสบายใจอตั้งแต่เช네้าถ nah ึงเย็นนี่มีความสบายอกสบายใจอิ่มใจอยู่เสมอเลยตลอดทั้งวันอแต่บางคนก็เกิดปัจสดที่ความสงบใจเกิดความสงบจิตใจเกิดความสงบมีความสุขอบางคนนั่นเองมีความสุขมีความสบายใจสุขคะ ทั้งวันอบางคนก็เกิดอธิโมกข์คือความน้อมใจเชื่อโอ้ธรรมะของผู้เจ้าเป็นอย่างนี้เองถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นนี้เราก็ไม่ยังไม่น้อมใจเชื่อขึ้นมาน้อมใจเชื่อในธรรมะของผู้เจ้าบางคนก็เกิดปากคาหาความเพียรความเพียรอย่างอย่างยอดยิ่งเลยอพราะเห็นธรรมะแล้วนี่เห็นธรรมะแล้ว เห็นสิ่งมหัศจรรย์แล้วบางคนก็เกิดอุปทานความมั่นคงของส ต, สตมมงิสติมีความมั่นคงมากสติมีความมั่นคงมากบางคนก็เกิดอุเบกขาความวางเฉยไม่ไปยินดีไม่ไปยิน้ล่อะไรแล้วบางคนก็เกิดปิด <c oughs> นิการตินิการติความใค่ในธรรม มีความใคร่ในธรรมมีความกระหายธรรมอยากรู้ธรรมนี่นี่สิ่งประจา์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นทันทีที่ผ่านยานที่สี่เมื่อสันตติขาดแล้วสันตติขาดแล้วนี่แปลว่าเราได้เข้าไปเห็นไตรลักษณ์ชัดเจนเพราะเมื่อสันตติขาดเราเห็นรูปนามมันเกิดมันดับ อย่างรวดเร็วตามธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าเราเข้าได้เข้าไปเห็นไตรลักษณ์อย่างชัดเจนเมื่อเห็นไตรลักษณ์ชัดเจนนั่นนะเรียกว่าปัญญามันเกิดเมื่อปัญญามันเกิดก็แปลว่าไอ้กิเลสบางส่วนมันดับมันดับลงไปกิเลสมันดับลงไปสิ่งมหัศจรรย์มันก็เกิดขึ้น แต่แม้ว่าจะเกิดสิ่งที่ดีสิบประการนี้แล้วก็ตามการที่ผู้ปฏิบัติจะรู้ว่าถูกทางหรือไม่จะรู้ว่าถูกทางหรือไม่จะต้องใช้จะต้องนำวิสุทธิเจ็ดวิสุทธิมรรคเจ็ดมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งการที่จะรู้ว่ามันถูกทางหรือไม่ ต้องเอาวิสุทธิเจ็ดมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งอันนี้ยังเป็นแค่ธรรมะมันเกิดขึ้นหลังจากผ่านยานที่สี่เท่านั้นเองอยานที่จะไปบรรลุสู่ความพ้นทุกข์ทั้งหมดด้วยการมีสิบหกสิบหขั้นนี่แค่ขั้นที่สี่ทีนี้พอปรเกดสิ่งเหล่านี้ขึ้นหลายคนที่ เข้าใจตัวเองว่าไปบรรลุแล้วเพราะมันเกิดสิ่งที่ดีเหล่านี้สิบประการเนี่ยหลายคนไปเข้าใจว่าได้บรรลุแล้วผู้ที่ปฏิบัติที่ห่างไกลครูบาอาจารย์ที่จะรู้ว่าถูกทางหรือไม่ถูกทางนั้น เมื่อมันเกิดสิ่งสิบประการเหล่าอย่างนี้นะ่ะที่หลายคนเข้าใจว่าบรรลุแล้วนะ่ะไปเกิดความยินดีไปเกิดความยินดีในสิ่งสิบประการนี้อันนั้นผิดทางไปเลยพอไปเกิดความยินดีเข้าไปนิดเดียวผิดทางไปเลย หมายความมาเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดในสิบประการนี้ไปเกิดความยินดีเข้าไปเกิดความยินดีเข้าผิดทางไปเลยผิดพ้นทางไปเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละทิ้งต่อว่าจะต้องเอาวิสุทธิเจ็ดเข้ามาเอาเข้ามาตรวจสอบดูอีกทีหนึ่ง ซึ่งวิสุทธิเจ็ดนั้นก็อยู่ในเล่มที่ที่สามอยู่แล้วนะอาตมาจะเอามาให้ดูอีกทีหนึง่ง <c oughs> <c oughs> วิสุทธิเจ็ดเนี่ยมันก็คู่กันกันกบอายานสิบหกนั่นแหละ มันก็คู่กับยาน16วิสุธทธิ7มีอยู่7ขั้นขั้นที่1คือศีลวิสุธทธิคือความสะอาดหมดจดของศีลความสะอาดหมดจดด้วยศีลขั้นที่2จิตตะวิสุทธิความสะอาดหมดจดด้วย สมาธิขั้นที่3ทิฏฐิวิสุทธิความสะอาดหมดจดด้วยปัญญาข้อหนึ่ศีลข้อสสมาธิตั้งแต่ข้อ3ถึงข้อ7นี่เป็นปัญญาทั้งหมดความสะอาดหมดจดด้วยปัญญาอันปราศจากความเห็นผิดเดี๋ยวจะมาเทียบเข้ากับยาน16 เด็กจะมาเทียข้าวยานสอันที่4ี่กังขาวิวตรณวิสุทธิความสะอาดหมดจดด้วยปัญญาอันข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วข้ามพ้นความสงสัยต่างๆได้แล้วอันที่หมค า, ามคกยานทัศนะวิสุทธิความสะอาดหมดจดด้วยปัญญารู้ว่านี้ใช่ทางหรือไม่ใช่ทางรู้ว่าใช่ทางหรือไม่ใช่ทาง อันที่หปฏิปทาญาณนญะาณทัศนวิสุทธิความสะอาดหมดจดด้วยปัญญาชัดเจนว่าหนทางที่ดำเนินมานี้ถูกต้องแล้วอันสุดท้ายก็คือเกิดญาณทัศนวิสุทธิความสะอาดหมดจดด้วยปัญญาเห็นอริยมรรคเห็นอริยผลขั้นสุดท้ายขั้นบรรลุ ทีนี้ความสะอาดหมดจดหรือพิสุทธิ์เนี่ยก็คือมาจากยาน16มาจากยาน16บหกมเทียบกับยาน16จริงๆยาน16นี้เนี่ยก็คือเรื่องของปัญญาในศีลสมาธิและปัญญานั่นเอง ใช่ไหมในการปฏิบัติของเราศีล ส, สมาธิแล้วก็ปัญญาปัญญาก็คือประกอบด้วยญาณ16บขั้นนันนี้นี่ก็คืออริยมรรคใช่ไหมอริยมรรคศีล ส, สมาธิและปัญญาวิสุทธิ7ก็คือศีลสมาธิปัญญาเหมือนกัน เพราะนั้นศีลกับศีลวิสุทธิก็คืออันเดียวกันสมาธิกิตาวิสุทธิอันเดียวกันคือความบริจดหมดความสะอาดหมดจดบริสุทธิหมดจดด้วยศีลด้วยสมาธิทีนี้นี่เาตั้งแต่นี้ไปจากนี้ไปนี่คือในขั้นปัญญา อย่างยานที่หนึ่งนามะรูปะปริเฉทยานพระเจ้าให้เราเฝ้าดูอันนี้ให้เราแยกรูปแยกนามให้ได้เพื่ออะไรเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์หมดจุดความเห็นเรามีความเห็นผิดว่านี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลใช่ไหมที่เรามีความเห็นผิดคือเราเห็นเป็นสมมุติ วันนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ถ้าเราเห็นว่ามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมันมีแต่รูปกับนามมีสองอย่างนี้เท่านั้นจึงจะทำให้เกิดความทิฏฐิวิสุธทธิได้คือเห็นเป็นปรมัิตย์เท่านั้นเห็นเป็นปรมัิตย์เท่านั้น เพราะนั้นในยานที่หนึ่งกับในทิฏฐิวิสุทธิ์ที่คือยานที่เออที่สามคืออันเดียวกันถ้าตราบใดที่เรายังเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ตราบนั้นยังไม่ชื่อว่าเป็นทิฏฐิวิสุทธิ์ต้องให้เห็นเป็นสัตว์แต้องเห็นเป็นรูปเป็นนามให้เห็นเป็นรูปเป็นนามสองอย่างนี้เท่านั้น ให้เห็นเป็นปรมัติเห็นเป็นขันห้าก็ยังไม่ได้เห็นเป็นเห็นเป็นขันห้าก็ยังเป็นบัญญัติอยู่ยังเป็นบัญญัติอยู่แล้วเมื่อผ่านยานวิสุทธิที่หนึ่งที่สามแล้วทิฏฐิวิสุทธิหรือยานที่หนึ่งแล้วก็มายานที่สองยานที่สองนี่น่ะเรียกว่าปัจจะยะปริฆหายาน กังขาวิตรณะวิสุทธิพ้นข้ามพ้นความสงสัยสงสัยว่ารูปในนามนี้เกิดมาจากอะไรเพราะตามปกติแล้วทั้งรูปทั้งนามอิงอาศัยซึ่งกันในการเกิดใช่ไหมรูปเป็นปัจจัยให้เกิดนามนามเป็นปัจจัยให้เกิดรูป เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นยานผ่านยานที่สองเนี่ยอเราเห็นชัดเจนว่ารูปเป็นปัจจัยให้เกิดนามนามเป็นปัจจัยให้เกิดรูปเพราะฉะนั้นรูปนามทั่วทั้งโลกนี้ไม่ได้เกิดมาจากอะไรเลยไม่ใช่เกิดมาจากฟ้าดินดุลันดานไม่ได้เกิดมาจากาใครดนบันดาลให้เกิดขึ้นทั้งนั้นไม่ใช่พรมลิกิต รูปนามเขาเองเป็นปัจจัยให้เกิดซึ่งกันอะรกันเพราะนั้นไอ้ญาณต่างๆเหล่านี้มันต้องเข้าไปรู้เรียกว่ายาณทัศนะยาณทัศนะต้งเข้าไปรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นอืม แล้วยานที่สมกับยานที่สนี้คือรวมมข้าวนี้จะเป็นอวิสุธทธิเจ็ดอวิสุธทธิหมัมขามขะยานทัศนวิสุธทธิคือรู้ว่าใช่ทางหรือไม่ใช่ทางเมื่อผ่านยานที่สี่นี้คือถ้าเราไปยินดีเราเกิดความยินดีในสิ่งสิประการเมื่อกี้นี้อันนั้นไม่ใช่ทาง อันนั้นไม่ใช่ทางผิดทางเมื่อเราเกิดไปยินดีในสิ่งสิบประการนั้นต่อมาพระสมมุติเจ้าเรียกว่ามันเป็นวิปัสสนูกิเลวิปัสสนูกิเลสิ่งสิบประการนั้นเป็นวิปัสสนูกิเล แปลว่าทำให้สิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองไม่ก้าวหน้าต่อไปจะหยูดอยู่แค่นั้นหยุดอยู่แค่นั้นจะไม่ก้าวหน้าต่อไปเรียกว่าวิปัสสนามันเศร้าหมองแล้วเป็นกิเลสเป็นกิเลส ข, ของวิปัสสนาเป็นกิเลส ข, ของวิปัสสนา มันจะไม่ก้าวหน้าต่อไปเป็นอันมัคคามัคคะใช่ทางหรือไม่ใช่ทางใช่ทางหรือไม่ใช่ทางนี่ยานยานที่สามกับยานที่สี่อ่าจริงๆนั้นถ้าให้ละเอียดต่อไปนันนะ่ยานที่สี่เนี่ยนะ เขาจะแบ่งเป็นามาอยู่ทางด้านนี้ครึ่งอยู่ทางด้านนี้ครึ่งหนึงยานที่สี่นี้แบ่งเป็นสองเป็นสองอันอย่างต่ํากับอย่างอย่างสูงอืมคือถ้าไม่ใช่ทางมันก็อยู่อยู่แค่เนี้ยมันไม่ก้าวหน้าต่อไปแล้วจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ยานที่ห้าไปจนถึงยานที่สิบสอง นี่ก็ละเอียดไปนะก็ดูๆผ่านๆไปก็แล้วกันแต่กระชี้ให้รู้เห็นว่าเนี่ยในการปฏิบัติของเรานั้นมันต้องเข้ามาถึงขั้นนี้มาถึงยานที่อ12เนี่ยเป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุธทธิคื อ, อเกิดปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นว่าการปฏิบัติที่เรามาปฏิบัติมานี้น่ะมันถูกทางมันถูกทางแล้วถูกขนทางแล้ว แล้วสุดท้ายสุดท้ายก็ถึงจะไปถึงญาณทัศนวิสุทธิปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นความสะอาดความบริสุทธิ์ของมรรคขยานผลขยานไปสำเร็จที่นู่นนี่คือการปฏิบัติในภาควิปัสสนาในภาควิปัสสนา เพราะนั้นจะเห็นว่ายาตนต้นๆเนี่ยสําคัญมากเลยมาถึงยานที่สี่เนี่ยสําคัญมากเลยต้องผ่านอันนี้ก่อนต้องผ่านอันนี้ก่อนพอจากขั้นนี้ไปเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยเป็นไรเอ่อถึงสิบหกรอบที่หนึ่ง รอบที่หนึ่งพระโสดาบันผ่านยานสิบหกรอบที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันผ่านยานสิบหกรอบที่สองเป็นพระสกะทาคามีผ่านยานสิบหกรอบที่สามเป็นพระอนาคามีผ่านยานสิบหกรอบที่สี่เป็นอรหันต์สี่รอบสี่รอบรอบที่หนึ่ง รอบที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันรอบที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันคือไม่ต้องห่วงมันหรอกเราปฏิบัติไปแล้วมันเขาจะเป็นไปเองเขาจะเป็นไปเอง <S <S อ่าเขาจะเป็นไปเองถ้าเรามีความอดทนถ้าเรามีความขยันเราปฏิบัติไปแล้วเขาจะเขาจะเป็นไปของเขาเอง นี่ก็ให้รู้ว่าแนวทางการปฏิบัติของเรามันต้องเป็นอย่างนี้แนวทางการปฏิบัติในภาควิปัสสนามันต้องเป็นอย่างนี้อา้ามีใครจะถามอะไรไหมบอกให้รู้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกทางที่ถูกทาง นี่ในภาควิปัสสนาในภาควิปัสสนาที่จริงก็มีอยู่แล้วในฮะตำบ้า ไ, ไม่มีที่บ้านไม่มีเล่มสาม ม, มีไหม ตอนท้ายๆนั่นเนะีน่ทั้งวิปัสสนากิเลสด้วยวิปัสสนากิเลสก็อยู่เล่มสามนั่นแหละวิปัสสนากิเลสสิบอย่างเมื่อกี้นี่แหละมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นหลังจากผ่านยานสิบผ่านยานที่สี่แล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใดหรือสองอย่างสามอย่างทีนี้ไปหลงพูดปฏิบัติไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไปหลง หลงแล้วก็ไปเกิดความเกิดความยินดีพอเกิดความยินดีนิดเดียวนั่นึองเป็นวิปัสสนูกิเลตทันทีไม่ใช่ทางแล้วอืไม่ใช่ทางฮะก็แก้ได้ต้องอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์หน่อยทีนี้บางทีมันไปหลงซะแล้วบางทีจิตมันก็เลยตเตลิดไปใหญ่นั่นแหะที่เราได้ยินได้ยินกันพระครูบาอาจารย์หลายองค์ ไปหงว่านึกว่าเข้าใจว่าตัวเองสำเร็จแล้วยังไม่ใช่ยังหลังยังมันยังนั่นแค่สมาธิเท่านั้นเองนั่นแค่สมาธิแค่สมาธิยังยังโอ้ขั้นปัญญานี่ ที่ไปอยู่แค่ขั้นสมาธิเท่านั้นเองเอา้าวเดี๋ยวนั่งสมาธิกันสักหน่อยนะเอา้านั่งสมาธิอ่ะผงจะกลับอันนี้เลยเอนั่งสมาธิเอาเอาเอนั่งเอา